สสัจจกะถาห้ว่าด้วยสัจจะสี่ร้อห้าสกวาทีสัจจสี่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปราวาทีใช่ักกวาทีที่ต้านทานมีสี่อย่างที่เร้นมีสี่อย่างที่พึ่งมีสี่อย่างที่หมายมีสี่อย่าง ที่มั่นมีสี่อย่างอมตะมีสีอส่อย่างนิพพานมีสี่อย่างใช่ไหมปรรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานมีสี่อย่างใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีนิพพานทั้งสี่อย่างยังมีความสูงต่ำความเร็วและความประนีดความยิ่งในหย่อนเขตแดน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 สกวาทีทุกข์สัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีทุกทางกายทุกทางใจความโศกความคร่ครําครวญความลําบากกายความลําบากใจความคับแค้นใจเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีทุกเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีทุกขจัตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีทุกทางกายทุกทางใจความโศกความคร่ำ ค, ครวญความลาบากกาย ความลำ บ, บากใจความคับแค้นใจเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทุกข์สัตว์เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักวาทีสมุทัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสมุทัยสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีกามตันหาภวะตันหาวิภวตันหาเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมุ ท, ย iterate, ท courtesy, ัยสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมักสัตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิสมาสมาธิ เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีมักคสัตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น453ักวาทีนิโรธสัตเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง นิโรธก็เป <Yeah. royable. S 1> ็นสภาวธรรมที่ไม uh, ่ถูกปัจ yeah. จัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีทุกขสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทุกก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์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 เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่ทุกเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิโรธสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่นิโรธเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมุทัยสัตว์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 1. นึ่คำว่า น, นี้ทุกขเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่น 2. องคำว่า น, นี้สมุทัย 3. ามคำว่า น, นี้ทุกขนีโรธ 4. ี่คำว่า น, นี้ทุกขนีโรธคามินีปฏิปทาเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายสัจจะสี่อย่างนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่น มีอยู่จริงมิเชื่หรือสกาวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสัจจสีจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัจกถฐาจบสีบสอรุปปกถา56ว่าด้วยอรุปรชาญ455 ส, สกวาทีอากาศานัญจายตนะชาญ เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีอากาสานัญจายตนาชานเป็นนิพพานเป็นตัวที่ท่านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มัน่นเป็นอมะตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาที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 ใช่ส ก, กวาทีที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กวาทีอากาสานัญจายตนะฌานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีใช่สั ก, กวาทีอาการสานัญจายตนะฌานเป็นพบเป็นกติ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 สกวาทีกรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงอาการสาัญจายตนะชาญมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงอาการสาัญจายตนะชาญมีอยู่ใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีสัตว์ผู้เข้าถึงสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีในอากาสานัญจายตนะฌานมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีในสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง มีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอากาสานัญจายตนะฌานมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาสานัญจายตนะชาญเป็นพบที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นพบที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสี่ห้าปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่าอรูปฌานสี่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอรูปฌานสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมไม่วันไหวมวหวิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอรูปฌานสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมไม่วันไหวดังนั้นท่านจึงควรยอม รับว่าอารูปฌานสี่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอรู ป, ปกถาจบ 5. นิโรธัสมาปฏิกถาห้ว่าด้วยนิโรธสมาบัตร้ห้าิบเจสกวาทีนิโรธสมาบัตเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือเป็นอสังขตะใช่ไหม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 ให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดขึ้นให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีมีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น458ักกวาทีความผ่องแผ้วความออกจากนิโรธสมาบัติปรากฏได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที ความผ่องแผ้วความออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรากฏได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวจีสังขารของผู้เข้านิโรตสมาบัติอยู่ดับไปก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับต่อจากนั้นจิตสังขารจึงดับใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที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 อปปนิหิตะผัสสะยอมถูกต้องผู้ออกจากนิโรธแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีผัสสะทั้งสคือ 1. นจุญยตะผัสสะสองอนิมิตะผัสสะสอัอปปนิหิตะผัสสะยอมถูกต้องผู้ออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาที จิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัตแล้วย่อมน้อมไปสู่วิเวกน้อมไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกใช่ไหมปร ว, กกรวาทีใช่สกวาทีจิตของผู้ออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมน้อมไปสู่วิเวกน้อมไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สี่ห้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัย Ь ปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีนิโรธสมาบัติเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจยัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นนิโรธสมาบัติจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจยัยปรุงแต่ง นิปรโรธสมาปฏิกถาจบ 6. อากาศถาหา58ว่าด้วยอากาศ460รกสกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังขตะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอากาศเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เรรน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 สักวาทีมีบุคคลบางพวกทำสิ่งที่มิใช่อากาศให้เป็นอากาศได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีมีบุคคลบางพวกทำสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีมีบุคคลบางพวกทำอากาศไม่ให้เป็นอากาศได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีมีบุคคลบางพวกทำสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในอากาศนกทั้งหลายบินไปได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปได้ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได้ ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้ชนทั้งหลายแกวงแขนได้โบกมือได้คว่างก้อนดินไปได้คว่างลูกขรุปไปได้แผลงฤทธิ์ได้แผลงสอนไปได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีในสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนกทั้งหลายบินไปได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปได้ ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได้ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้ชนทั้งหลายแกว่งแขนได้โบกมือได้คว้างก้อนดินไปได้คว้างลุกกลุบไปได้แผลงฤทธิ์ได้แผลงสอนไปได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น461สกวาทีชนทั้งหลายล้อมอากาศ ทำให้เป็นเรือนทำให้เป็นฉางได้ใช่ไหมปรวาทีใช่จักวาทีชนทั้งหลายล้อมสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทําให้เป็นเรือนทําให้เป็นฉางได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อขุดบ่อน้ําที่ที่มิใช่อากาศก็กลายเป็นอากาศได้ใช่ไหมปรวาที ใช่สั ก, กวาทีสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็กลายเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีสั ก, กวาทีเมื่อถมบ่อน้ำเปล่าบรรจุช้างเปล่าหม้อเปล่าให้เต็มอยู่อากาศหายไปได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหายไปได้ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น462รปรวาธีท่านไม่ยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาธีอากาศเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกวาธี ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีดังนั้นอากาศจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอากาศสกัฐาจบเจด็ดอากาศโศสนิทัสโนติกะกถดฐานห้าส้าว่าโดยอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้สี่กสกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกกวาทีอากาศเป็นรูปเป็นปรู ป, ปายตนะเป็นรูปประธาต์เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักรคู่วิญญาณกระทบที่จักรสุมาสู่คลองจักรสุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีเพราะอาศัยจากสุและอากาศจึงเกิดจากขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีเพราะอาศัยจากสุและอากาศจึงเกิดจากขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและอากาศจึงเกิดจากขุวิญญาณมีอยู่จริงหรือ ปรวาทีไม่มีสกวาทีประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงมิใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากประสูตรว่าเพราะอาศัยจักรสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักรสุและอากาศจึงเกิดจากขูวิญญาณ 4ี่ร้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมจักวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นช่องของต้นไม้สองต้นช่องสาสองต้นช่องลูกดานช่องหน้าต่าง ม, ม, ม, มาิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นช่องของต้นไม้สองต้น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 สีสิส ก, กวาทีปฐวีธาตุเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีปฐวีธาตุเป็นรู ป, ปนะเป็นรู ป, ปรายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักุวิญญาณกระทบที่จกักษุมาสู่คลองจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีปัทวีธาเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาตีเพราะอาศัยจักษุและปัทวีธาจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักษุและปัทวีธาจึงเกิดจักขุวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาที พระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและปฐวีธาตุจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีใช่สกวาทีประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูป จึงเกิดจากขู่วิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักสุและปฐวีธาตุจึงเกิดจากขู่วิญญาณ466ปราวาทีท่านไม่ยอมรับว่าปฐวีธาตุเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีท่านเห็นแผ่นดินแผ่นหินภูเขาไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ ปราวาทีหากท่านเห็นแผ่นดินแผ่นหินภูเขาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปราวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอาโปธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีท่านเห็นน้ํามิเช่หรือสกวาทีใช่ปราวาที หากท่านเห็นน้ําได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอาโปธาต์เป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าเตโชธาต์เป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นไฟที่ลุกโผรงอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นไฟที่ลุกโผรงอยู่ได้ดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าเตโชธาตเป็นสภาวรธรรมที่เห็นได้ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าวายโยธาตเป็นสภาวรธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นต้ไ น, น, ตนไม้ที่ถูกลมพัดให้โยกโครงอยู่ไม่ใช่หรือักวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมพัดให้โยกโครงอยู่ได้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวายโยธาเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปัทวีธาตุสนิทัศนานติอาทิกถาจบ 9. จาจะขุนธรียังสนิทัศนันติอาทิกถา 61. ว่าโดยจะขุนสี่เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เป็นต้น467กสจกวาทีจะขุนสี่ เป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจะขุนศีเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปประธามาสู่คลองจักสุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะขุนศีเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยจักสุและจักขุนศี <funnel. Nixon. S 2> จึงเก um> ิดจากขูวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจากสุและจากขุนตรีจึงเกิดจากขูวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีประสูธรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและจากขุนตรีจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีประสูธรที่ว่า เพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขุวิญ ญ, ญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากประสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขุวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักสุและจกักขุนสีจึงเกิดจากขุวิญญาณสี่ร้หกสิบแปปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า อินสียห้าเป็นสภาวาธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมส ก, กวาธีใช่ปรวาธีท่านเห็นจักสุโสตคานะจิวหากายมิเทพหรือส ก, กวาธีใช่ปรวาธีหากท่านเห็นจักสุโสตคานะจิวหากายดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอินสีห้าเป็นสภาวาธรรมที่เห็นได้ จะขุนตรียังสนิทัตสนันติอาทิกถาจบ10กายกรรมมังสนิทัตสนันติกถา62ว่าด้วยกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้469รกสกวาทีกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีกายกรรม เป็นรูปเป็นรูปายตะนะเป็นรูปปาธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณกระทบที่จักสุมาสู่คลองจักสุได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีเพราะอาศัยจักสุและกายกรรม จึงเกิดจากขูวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจากสุและกายกรรมจึงเกิดจากขูวิญญาณใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและกายกรรมจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีพระสูตที่ว่า เพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมประวาทิใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักสุและกายกรรมจึงเกิดจากขูวิญญาณ470เจสประวาทิ ท่านไม่ยอมรับว่ากายกรรมเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีท่านเห็นผู้ก้าวไปถอยกลับแลรดูมองดูคู้เข้าเยียดออ ก, มอกวม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากท่านเห็นผู้ก้าวไปถอยกลับแลดูมองดูคู้เข้าเยียดออกดังนั้น ท่านก็ควรยอมรับว่ากายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้กายกรรมมังสนิทัศนันติกถาจบเรื่องสุดท้ายพึงทราบว่าเริ่มต้นแต่ปฐวีสนิทัศนะจนถึงกายกรรมมะสนิทัศนะชัตวักจบรวมกถาที่มีในวักนี้คือหนึ่งนิยามกถาสองปฏิจจ สมุ ป, ปาทกถา 3. าสัจจกถา 4. ี่อรุ ป, ปกถา 5. นิโรธสมาปติกถา 6. อาการสกถา 7. อาการโสสนิทัตสนโนติกถา8ปดปฐวีทาตุสนิทัตสนาติอาทิกถา 9. ากาจักขุนทรียังสนิทัตสนันติกอาธิกถา 10. กายกรรมมังสนิทัตสนันติกถา สัตตมวรตหนึ่งสังคหิตะกะถา63ว่าด้วยสภาวธรรมที่สงเคราะห์เข้าได้สี่เจ็ดอ็ดกวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีใช่ไหมประวาทีใช่ักกวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้จัดเข้าหัวข้อได้นับเนื่องกับสภาวธรรมบางเหล่า มีอยู่ม่ใช่หรือประวาทีใช่ักาวาทีหากสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้จัดเข้าหัวข้อได้นับเนื่องกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมบางเหล่าที่สงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีักวาทีจะขายัตนะสงเคราะห์เข้าได้ในขันไหนประวาที สงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์สักวาทีหากจะขายยตนะสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจะขายยตนะสงเคราะห์เข้าได้กับรูปขันธ์สักวารีโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนประวาทีสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์สักกวาที หากายายตนาสงเคราะห์เข้าในรู ป, ปขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากายายตนาสงเคราะห์เข้ากับรู ป, ปขันธ์สกวาทีรูปายตนาะศัทธายตนาะคันทายตนะรารัศายตนาะโพธพายตนาะสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนประวาทีสงเคราะห์เข้าในรูปขันธ์สกวาที หากโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าในรูปประขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าโพธพายตนะสงเคราะห์เข้าได้กับรูปประขันสกวาตีสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในขันไหนประวาตีสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันสกวาตีหากสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสุขเวทนา สงเคราะห์เข้าได้กับเวทนาขันธ์สกวาทีทุกขเวทนาอทุกขมาสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในขันธ์ไหนประวาทีสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์สกวาทีหากอทุกขมาสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอทุกขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าได้กับเวทนาขันธ์ สักวาทีสัญญาที่เกิดจากจักขคู่สัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันไหนประวาทีสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันสักวาทีหากสัญญาที่เกิดจากจักขคู่สัมผัสสงเคราะ์เข้าได้ในสัญญาขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาที่เกิดจากจักขคูสัมผัสสงเคราะ์เข้าได้กับสัญญาขันสักวาทีสัญญาที่เกิดจากโสด สัมผัสสัญญาที่เกิดจากมโ น, helmet, ส, Kent, น, น more, สัมผัสสงเคราะห์เข้าในขันไหนปรวาทีสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันสกวาทีหากสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าในสัญญาขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาที่เกิดจากมโนสัมผัสสงเคราะห์เข้าได้กับสัญญาขันสกวาทีเจตนาที่เกิดจากจักคูสัมผัส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 สงเคราะเข้าในขันไหนปราวาทีสงเคราะ์เข้าในวิญญาณขันสกาวาทีหากมโนวิญญาณสงเคราะหเข้าในวิญญาณขันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ามโนวิญญาณสงเคราะห์เข้าได้กับวิญญาณขัน472ปราวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะหเข้าได้กับสภาวธรรมเหล่านั้นเหมือนอย่างคู่โคปริพัฒ เขาร้อยไว้ด้วยสายทามหรือเชือกเหมือนบินทบาทเขาแขวนไว้ด้วยสาแหกหรือเหมือนสุนักเขาผูกไว้ด้วยเชือกผูกสุนักสกวาทีหักคู่โคพลิพัฒเขาร้อยไว้ด้วยสายทามหรือเชือกบินธบาทแขวนไว้ด้วยสาแหลกหรือสุนักเขาผูกไว้ด้วยเชือกผูกสุนักดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมบางเหล่าสงเคราะห์เข้าได้กับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่สังคหิตตกถาจบ 2. ส, สัมปยุตตกถา64ว่าด้วยสัมปยุตตธรรมสี่ร้เจ็ดสิบสากวาทีสภาวธรรมบางเหล่าที่สัมปยุตด้วยสยภาวธรรมบางเหล่าไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่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 มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับสภาวธรรมบางเหล่ามีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมบางเหล่าที่สัมพยุดด้วยสภาวธรรมบางเหล่าไม่มีสกวาทีเวทนาขันเกิดพร้อมกับสัญญาขันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันได้ใช่ไหม ประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากเวทนาขันเกิดร่วมกับสัญญาขันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเวทนาขันสัมพยุต ด, ด้วยสัญญาขันส ก, กวาทีเวทนาขันเกิดร่วมกับสังขารขันและวิญญาณขันได้ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาที หากเวทนาขันเกิดร่วมกับวิญญาณขันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเวทนาขันสัมพยุตด้วยวิญญาณขันสักวาธีสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเกิดร่วมกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาธี หากวิญญาณขันเกิดร่วมกับสังขารขันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณขันสัมพยุตด้วยสังขารขันสี่ร้อเจ็ดิบสี่ปราวาทีสภาวธรรมเหล่านั้นแทกซึมอยู่กับสภาวธรรมเหล่านั้นเหมือนน้ำมันซึมซับอยู่ในเมล็ดงาน้ำอ้อยซึมซับอยู่ในต้นอ้อยใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสัมพยุตตกถา จบสเจตสิกะกะถาหกสิบห้าว่าด้วยเจตสิกสีก่้เจ็ดสิบห้าสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที ส, าสภาวธรรมบางเหล่าที่สวรคตเกิดร่วมรคนสัมพยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีวัตถุอย่างเดียวกัน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 พัสสะเกิดร่วมกับจิตใช่ไหมปราวาทีใช่ส ก, กวาทีหากพัสสะเกิดร่วมกับจิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพัสสะเป็นเจตสิกักวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะอโนตตะปะเกิดร่วมกับจิต ใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีหากอนตุตตปะเกิดร่วมกับจิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอนตุตตปะเป็นเจ ต, ตสิก476ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับจิตจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นเจตสิกใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับผัสสะจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นผัสสิกะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าสภาวธรรมเกิดร่วมกับจิตจึงยอมรับว่าสภาวธรรมเป็นเจตสิกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเพราะท่านเข้าใจว่า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 สภาวธรรมเป็นโนตตปาสิกะใช่ไหมักวาธีใช่ 77, สี่จ็ดกวาธีสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีประสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจิตนี้และสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกยอมปรากฏแก่ผู้รู้แจ้งชัดแล้ว โดยความเป็นอนัตตาครั้นรู้ชัดสภาวะธรรมทั้งสองนั้นทั้งที่หยาบและประณีจึงเป็นผู้มีความเห็นโดยชอบทราบชัดว่ามีความแตกดับเป็นธรรมดามีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สักวาทีดังนั้นสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกจึงมีอยู่สักวาที สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเกวัตตะภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทายจิตทายเจตสิกทายวิตกวิจารของสัตว์อื่นๆของบุคคลอื่นๆว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกจึงมีอยู่เจตสิกะกะาัาจบ